ตัณหาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็จะขอนาเรื่องนาทฏดาบทการจริงเรื่องนี้เข้าไปคาบอยู่กับเรื่องจันทกมุมารหนึ่งหน้าเพราะว่าเตรียมตัวไม่ทันเจา้าธีบายมากเกินไปก็กลัวว่าบรรดาญาติโยมทั้งหลายฟังจะเบือ่อจะได้เรื่องราวน้อยเะนี้จริงได้ พูดลัดลัดตามท้องเรื่องเป็นอนันว่าเรื่องนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงปรารภพระองค์เองว่าสมัยหนึ่งพระองค์เป็นดาบทมีนามวนาระทะที่รู้ได้อย่างนี้็พราะอำนาจปุกพีนิวาสานุสติญาณมันดาญาโยมทั้งหลายโปรดอย่าลืมนะ ก็เวลานี้มีคนมาถามบ่อยๆว่ามีคนพูดกันว่าการระลึกชาติไม่มีเทว ด, ดาไม่มีและคนนี่สามารถจะระลึกชาติได้ก็ดีไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ก็ดีเป็นอุปาทานบ้างเป็นอุปากิเลสบ้างโยมเชื่อเขาก็เชิญเชื่อถ้าไม่เชื่อเขาจะลองปฏิบัต ตามที่องค์สมเด็จโตทรงเสวัสดีสภาพทรงสั่งสอนไว้ก็จะดีแต่การที่จะมองดูอะไรสมมุติว่าเขาบอกว่าเกลือเค็มแต่เราไม่ลองชิมดูจะรู้ว่ารสเค็มมันเป็นยังไงดีไม่ดีไปเห็นน้าตาลใส่กรดซึ่งมีสภาพคล้ายเกลือเราก็จะคิดว่าน้ําตาลใส่กระดดเค็มไปซะด้วย ก็เหมือนกับคนที่เก่งตำราแต่ก็ไม่ได้เก่งการปฏิบัติรวมความว่าฟังแต่เขาว่าอย่างเดียวก็วิจารณ์ไปอย่างนั้นวิจารณ์ไปอย่างนี้มันจะตรงความจริงได้ยังไงถ้าเก่งจริงๆก็ต้องพิสูจน์ก็ได้การปฏิบัติ ในการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วก็ต้องมีน้ำใจจริงอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าวันที่ยาทรงบรรลุอบิสิกสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระวิชิตามารทำยังไงต้องทำอย่างนั้น ใช้กำลังใจตั้งแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรยอยู่ในพระราชนิเวศถ้าวันจะออกบทวันนั้นปรากฏว่าพันนางพิมพากำลังคลอดพระราชโอรสมีพันนามพระราหุลลูกเกิดขึ้นมาไม่ถึงวันองค์สมเด็จพระพิธิตมัย ก, ก็ทรงตัดสินประทยัย ว่าปุตังคีเวหัวลูกโผกคอเกิดขึ้นแล้วแต่องค์สมเด็จพระบัีแก่วก็ตัดสินพระไทยว่าถ้าเราจะหลงไหลไปฝันอยู่กับลูกกับเมียกับสมบัติหรือความเป็นใหญ่ในความเป็นจกักรพรรดิการที่จะช่วยบำบัดทุกบำรงสุขกันบรรดาปวงชนทั้งหลายให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์คือพระนิพพาน ย, ย่อมเป็นไปไม่ได้ องค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสัญญาเจ้าที่ทรงละความลักทั้งหมดตัดสินว่าไทยออกบวชเกิดนเอาบวยก็เอาจริงทุกอย่างพิสูจน์ทุกอย่างและในที่สุดก็ทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นท่านพูนใดที่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัญญ า, ส, าสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้ว่าเรื่องราวสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ไปพรมได้หรือว่าใครเห็นว่านิพพานศูนเชิญปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระทรงเสวัตรีโซภคปฏิบัติมาและความรู้นี้ก็ยังมีอยู่ครบทำให้จบเมื่อเรียนจบแล้วก็ทำให้จบทุกอย่าง ยั้งสียงทั้งหมดจะไม่มีอะไรสงสัยจะไม่นั่งจะไม่ต้องมาด่ามาว่าชาว บ, บ้านเขาว่างโง่เ ง, ง่าเ ต, ต่าตนถ้าสายที่เขามีทุนดีกว่าทําไมจึงไปว่าเขาพยายามพิจารณาตัวเราชรําระใจชานะจิตข้งตัวเราให้สะอาดดีกว่านี่ที่ผูก้กมรนดาญาติโยมพุทธบริษัทอย่างนี้ไม่ใช่ปรร n ามญาติโยมพุทธบริษัท แต่ว่าวันใดญาติโยมพุทธบริษัทมาปรารภบ่อยๆว่านับถือเทวดาเขาว่าโง่เทวดามีจริงเขาก็โง่ว่าโง่ได้บริการหนึ่งคนไปนรกสวรรค์ได้ก็หาว่าเป็นอุปาทานบ้างเป็นโอภาษบ้างความจริงว่าถือว่าเป็นอุปาทานก็ผิดยิ่งพูดไปยิ่งเป็นโอภาษก็แสดงว่าท่านผู้พูดนั้นไม่รู้อะไรเลย รวมความไว้ไม่มีความรู้แม้แต่กอไก่ขอไข่ทาไมหนอที่ได้เป็นอย่างนี้เวลานี้เด็กๆ เ, เล็กๆทิ้งคนแก่ก็ทํากันได้แต่ทําไมผู้ทรงคุณธรรมมีความรู้ที่ได้พูดอย่างนี้น่าสงสารองค์สมเด็จพระจินทรสีที่อุตสาบําเป็นบา ร, รมีมาทิ้งเสียสงไข่แสงกลับ เพื่อเย็บเรื่องหรือค้นสัตว์แต่ว่าคนที่รับรากาศตนไปเป็นสาวกพอะองค์สมเด็จพระสุค์สวัสดีโสภากลับมาย่ำยีพระพุทธศาสนาทีอย่างนี้น่าสลดใจระบรรดายาโยมพุทธบริษัททัานหลายคุยกันไปดีกว่าคุยกันไปนะที่พูดเมื่อกี้มัได้ว่าใครคนนะ รรกราลบบรรดาญาติโยมผู้มีกำลังใจเป็นกุศลและคนดีๆอย่างบรนดาญาติโยมพู้สวัสดิ์นี่หายากเพราะว่าท้าทุกท่านประกาศตนเป็นสาวกขององค์สนเด็จพระบรมโลกกันนักใครเขาจะเลวก็ช่างเขาไม่โยมนะใครเขาจะดีก็ช่างเขาเราเชื่อพระพุทธเจ้ากันดีกว่า เชื่อและจะเชื่อจะเฉยทดลองพิสูจน์เวลานี้มีผู้พิสูจน์พระศาสนาที่รู้ปริมาณจริงๆหลายหมื่นแล้วที่เขามั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณิตแก่สามารถจะรู้สามารถจะเห็นอย่างที่ท่านผู้มืด ค, คือกันดาหาพรามที่ทำอย่างนั้นท่านกล่าวว่ า, าพระพุทธศาสน า, าไม่มีอะไรดีเสียเลยนะ ยกไว้คุยกันเรื่องนารทะต่อไป <c oughs> เป็นอันว่าเรื่องราคุณนารถดาบทมีดังนี้มีพระชาพระราชาองค์หนึ่งเพิ่นนามว่าอังคติราชครองราชยสมบัติอยู่ในเมืองมิถิลามหานครยอมบอกพิธอดีสอนทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม แมนะ้ตรงกันข้ามก็อราชาองค์ก่อนนะพระเจ้าเอกดาชมีพระราชินดาองค์หนึ่งมีพระนามว่าจารุราชกุ ม, มารีแล้วมีพระรูปไปชมชนชมอย่างยิง่งคือเป็นคนสวยส่วนพระมเหสีอื่นๆไม่มีพระราชโอรสนะท้ะก็ไม่มีพระราชธิดาเลยมีลูกคนเดียวก็สบาย พระราชธิดาจึงเป็นที่โปรดปรานของพระชนกคือพระราชวิดาอย่างที่สุดถึงกับพระราชทานเสือ้อผ้าพัตราพรหนราพรต่างๆเครื่องประดับอย่างดีวิเศษให้แก่พระธินดาทุกๆวันพระเจ้าอังคธิราชนั้นมีหมาดผู้ใหญ่อยู่สามนายคือหนึ่งวิชัยอมาด สองสุนามะอามัดสามอาราตะอมามัดและอาราตะอมามัดอาราตะนะเขาอ่านอย่างนั้นนะคืนวันหนึ่งเวลาเดือนกลางเดือนทิบสองแหนวนจันวันเพ็ญวันลอยกระทงเสียด้วยเป็นเทศกาลหม้อรสดอกโกมุตบานสักครั้ง หมายชนพากันตกแต่งพระนครและภายในพระราชฐานทำท่าสวยตะการตาหาที่เปรียบบ่ไม่ได้ไ่ว่ารารภาษาเอลาม <c oughs> อาว่าได้สวยเป็นบิเศษเพื่อเวลาเทศกาลปานบันึ่งว่าพระนคร น, นั้นเหมือนเทพพระนครเหมือนเมืองโคเทวันดาก่อนจริงจะแต่งยังไงยังไงมันก็ไม่คล้ายเ่อทเว่ ไอเมืองมนุษย์เี่หาของพิเศษแลมาแต่งังก็ตามจะไปเหมือนกับวิมานของเทวดาชั้นภูมิเทวดาเขาไม่ได้ของเขายัางเร็วดีกว่าคนเรามากเอาไว้เชื่อกับพิสูจน์กันพระยา่าอังคติราชสนเด็จประทับพระสําราญอิพทธเจ้ในบราสัทใหญ่ริมสีหบัญชร มีหมู่หมาดแวดล้อมพร้อมเพรียงทอรดระเนตดูดดงจันเวลาที่ไปจันทรงกลดแหมแลดูเด่นจึงมีพระราชดำขึ้นว่ายามราตรีนี้บริสุทธิ์เช่นนี้น่าเรื่นรมจริงๆเราควรจะเพิดเพลิงกันด้วยเรื่องอะไรดี ตอนนี้ท่านปลารพบนะไฟจันท์วันเพนดูเด่นแล้วก็ทรงกรดดูสิว่าสวยสดดูงามมากมีความสุขเป็นพิเศษจึงได้ปลารลพบมาทั้งสามว่านี่เราจะทำอย่างไรดีนะให้มันดีไปกว่านี้จิตใจจะสดชื่นทมานทั้งสามได้กราบทูลตามอธิยาสัยของตนนี่อัครทูลแบบนี้อัลลาตะอัมมาต กราบทูลว่าขอดีชะใยความสุขเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษควรจะเตรียมจัดจรตรงกษีนาเสนาเสีสส่เราคือพนรถพนมา้าพนช่างคนเดินเท้าให้ครบครันทุกหมเหล่าแล้วก็ยกขบวนพระยาหาศีนาออกรบแน่ระดมพลออกรบพวนี้ รวบรวมประเทศน้อยใหญ่ทั่วพื้นแผ่นดินนี้ให้เข้ามาอยู่ในอำนาจของพระองค์เสดเ็จเถิดไปเจ้าค่าน<ฮะ>ว่าเจอตัวดีเขาอิตาลาส์นี่อัลลาสอัลลาสอัลลาตะคืออัลลาส์อัลลาส์แสดงหน้ามันไม่ลาดอะเขาเราว่าไม่ไม่ลาดมันนูนๆปุ่มๆปำๆ ม, ม, ม, ม, มันก็สร้างความฟันดุยอยู่ตลอดเวลา ฝ่ายอมามรดอีกคนหนึ่งที่ว่าสุสสนามะอมามัดหรือว่าสุนามสุนามะอมามัดกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจา้าเราศัตรูของพระองค์เวลานี้ก็ตกเข้ามาอยู่แดนนาจหมดสิ้นแล้วจางก็วางสตราวุธยอมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์แล้วหมดังสิน้น วันนี้จะมานั่งเพลิดเพลินด้วยการรบกรหาสมควรใหม่ควรที่ควรจะจัดการเลี้ยงดูด้วยการดื่มอวยชัยให้สำราญหาความเพลิดเพลินในการพรอนรำคับ ร, รองประโคมโดนตรีอันเป็นย่อยความสุขทั้งปวงเถอย่างนี้เถิดไรเจ้าค่ะให้แต่คนนี้เหมาะ แต่คนนี้ทุนเหมาะจะให้เป็นสุขดันจะไปช่วยขลรกอีตาหน้าไมา่ลาดเนื้อฝ่ายสุน า, นามะเคยสุน า, นามไอ้สุน า, นามนะสุกระบดีดังงามดังง่ายก็พูดดีฟังท่านวิชัยอมัดพูดต่อไปท่านวิชัยอมัดกล่าวทูดว่าข้าแต่มหาราชเรื่องฟ้อนรำขับร้องปรโคมดนตรีก็มีบำเรอพระองค์อยู่เป็นนิดแล้ว จะต้องพระประสงค์อย่างใดก็ได้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าคือหมายกว่าไอ้กายรักระคมขับร้องดนตรีมีอยู่ทุกวันจะต้องการอะไรากันใดแต่ความเห็นของเขาว่าอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นด้วยกล่าวว่ายามราตรีบริสุทธิ์ผุดผ่องชิ้นนี้ควรเรียพายกันไปหาสมณพราหมณ์ผู้เป็นพรสูตร รู้อัรถธรรมเราวสูตรนี่มีการศึกษามากมีความรู้มากนะรู้มากในะอรรถธรรมแล้วก็หนีมนให้ท่านขจัดกลัดกลาความสงสัยของพวกเราดีกว่าพระเจ้าค่ะเข้าท่าเข้าท่าแต่หมอนี่เข้าท่าเป็นอันว่าพระเจ้าอังคดิราชทรงพอพระไทย ในคำกราบทูลของวิชัยอมรวิชัยนี่็ราชนะวิเศษเยี่งดัดว่าวิชัยท่านวิชัยอมรท่านอะพูดถูกใจฉันเหลือเกินในอีตาสองคนทาตายิดบยิบยิบิบิบยิบโมโหววอหิจฉาคอยทาให้ทำตามข้อเสนอของเธอเราะนั้นวิชัยอมรดต้องจัดการนะ เราจะไปทางไหนกันดีแต่ว่าเราจะเข้าไปหาใครที่ไหนนะ่ะที่เป็นพระสูตรจริงๆอ่ซึ่งสามารถที่จะให้ความเพลิดเพลินในอัตธรรมแก่เราได้อีตาหน้าไม่หลับคืออัลลาตะเสนาบดีที่ได้กราบทูลว่าขอเดชะมีอาจเจนลกคนหนึ่ง อยู่ในมิกระทายวันอาเจนลกนี้เขาไม่นุ่งผ้านี่ยเขาไม่มีสมบัติเขาหมดกิเลสกิเลสหมดกิเลสเรื่องผ้าผ่อนทนสบายไม่มีขี้เปลื่อยแค่ผ้ามีอาเจนโล ก, กนหนึ่งอยู่ในมิกระทายวันชื่อว่าคุ ณ, านะคณาอาชีวกชีวกนะคุณอาชีวกอาชีวกมีผู้มีคุณสูงเธอเป็นผู้สู พูดจาหน้าฟังผู้นี้แหละจะช่วยกาจัดความสงสัยให้ความรู้แกเราอย่างได้ยังเพื่อเฟริอนพระเจ้าค่าทะท้าราชาจึงสุดทึงจึงทึงติงงสุนทดัดว่านี่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปไมิกธทายวัน เจ้าจงนำยามยานที่เทียมได้มามาที่นี่พระราเป็นนั้นว่าเมื่อพระราชาทรงตัดแล้วพระเจ้าอังคติราชพร้อมไปได้ข่าราชบริพานยิงได้สเสด็จมาถึงมิกทายวรรอันเป็นสำนักขุนนาชีวกแล้วสเสด็จพระราชา ด, ดำเนินเข้าไปหาขุนนาชีวก ขณะนั้นก็มีพรามคนดีข้าโบดีก็ดีดดไะชุมกันอยู่มากนั่งอยู่ก่อนแล้วสแสดงว่าท่านอาจารย์องค์นี้นะท่านเก่งเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่เข้าใจของคนหลายแต่ว่าพระองค์ก็ขอให้ทุกคนอยู่ร่วมไปชมกันต่อไปเวลาที่เสด็จเข้าไปเขาก็เสด็จหนี พระองค์ก็บอกว่าอย่าไปเลยนั่งคุยกันเถอะวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ไม่ได้มาอย่างพระราชามาอย่างศาสนิกชนคือคนที่นับถือศาสน า, ศายัางไม่เรียกว่าพุทธศาสน า, า, านะแต่เรียกว่าอาจเจร์ศาสนาพระเจ้าอังกดีไร้ก็เริ่มตะถามทางธรรม ทำบางรายการที่พระองค์ยังสงสัยอยู่เช่นปัญหาว่าคนเราจะพึงประพฤติอย่างไรในบุคคลต่อไปนี้คือประพฤติกับบนดาอาจารย์และก็บุตรัญยาอเออดรายบางประชชนบางพวกจริงไม่ตั้งอยู่ในธรรมอาไรดีนี่ปัญหายหย่เป็นนั้นว่าปัญหาอย่างนี้เน่ะ ไม่เคยไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนทั่วไปก็ยิ่งเป็นคนมิฉาทิฏฐิอย่างคุนาชีวกด้วยก็เป็นปัญหาที่หนักที่ไม่อาจจะชี้แจงได้ดังนั้นคุนาชีวกจิน เ, เสสแซงโทนเตือนไปว่าข้าแต่มหาราชแย่พูดถึงปัญหาอย่างนี้ไปทำไมไม่มีประโยชน์ขอพระองค์ได้โปรดสนับ ทางที่แท้จริงก็อาจมาอาตมาภาพเถิดบุญบาตรน่ะมันไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีไม่มีใครที่จากโลกนั้นมาโลกนี้ปู่ย่าตายายบิดามารดาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีสัตว์ทั้งหลายเสมอกันหมดไม่มีประเสริฐกว่ากัน คนเกิดมาแล้วทุกวันนี้ก็เกิดมาตามตามกันมาเหมือนเรือน้อยค่อย้ายเรือใหญ่จะได้ดีหรือได้ชั่วก็ได้เองทานหรือผลก็ทานมันก็ไม่มีคนโง่บัญญัติการให้ทานไว้เพื่อคนโง่ทำทานแน่แต่บัณฑิตคอยรับทานโอ้โหสอนเพราะจริงๆ เออบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาพูดตรงนี้ก็นึกขึ้นมาได้แล้วนะที่เขาตอบว่าทรงโปรดสันดับทางที่แท้จริงขอ้อธมาถเถิดบุญบาปน่าไม่มีโลกหน้าไม่มีไม่มีใครรีจากโลกนั้นมาโลกนี้ปู่ย่าตายายพิดามันดาครูบาอาจารย์ไม่มี แม้เหมือนกับคนบางคนที่ก็พูดนะเขาพูดว่าเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีหมไม่มีคนรู้เทวดารู้สวรรค์รู้นรกไม่มีเอออนึกออกเลยญาติโยมที่ญาติโยมมาถามว่าบางท่านที่เขาบอกว่าโลกน้าไม่มี เปรตไม่มีอสุรกายไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีรู้ได้ไม่มีคนที่รู้เรื่องรได้ไม่มีนี่เขาเป็นลูกศิษย์อจิลกที่ว่าคุณนาชีวกเพิ่งรู้จากศาสนาของเขาวันนี้เองว่าเขาศึกษามาจากศาสดาองนี้อันจะไปว่าท่านนั้นเวลาท่านพูดอย่างนั้นต่อไปเพิ่งทราบว่าท่านไม่ในนับถือพระพุทธเจ้าท่านนับถือคุณนาชีวก ซึ่งไปอาเจรกพระแก้ผ่านเป็นอันวา่าในเมื่ออาเจรลกกล่าวอย่างนั้นแล้กล่าวต่อไปหรือเปล่าดูสิกล่าวต่อไปรูปกายอันประกอบไปด้วยธาตุสีน่นี้เมื่อแต่ทำลายลงก็จะแยกจากกันความสุขความทุกข์ก็ลอยไปตามลม ใครฆ่าใครทำร้ายใครเบียดเบียนใครไม่เป็นบาปดาบที่ฟั่นเข้าไปในเนื้อย่อมเป็นไปตามเรื่องไม่จัดว่าใครทำร้ายใครแม่เขาเก่งจริงๆโอ้โหเก่งมากเก่งมากกอนานาราตเซน า, าบดีได้ฟังอย่างนั้น ยีน่นา่กลา่กาวเส่าว่าที่ท่านอาจารย์วิจารณานั้นเป็นความจริงหรือเกินพเจาค่ ะ, ะอันนี้ท่านคุณนายชีวอธิบายตามความเห็นของตอนต่อไป่อ๋มาเจออาจารย์ของท่านเหล่านี้เข้าแล้วเพิ่งอยู่ตรงนี้เองอ๋อท่านเรียนตานี้นี่นะยังนึกถือว่าคนเห็นสวรรค์ไปสวรรค์ไปนรกได้เป็น โอ้พลาดแน่เป็นอุ ป, ปาทานอ๋อลูกอาจารย์ท่านอยู่ตรงนี้เองเพิร์ลุท่านกล่าวได้ว่าสัตว์ทุกจำพวกเมื่อเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารซึ่งแปดสิบสี่กลับก็บริสุทธิ์เองเอา้าวเมื่อกี้นี้บอกไม่มีเนี่ยถ้ามันมีแปดิบสี่กลับด้ยังไงเอ๊ะขพูดยังไงอาจารย์เอ้าฟังเขาต่อไป เมื่อยังไม่ถึงกําหนดนั้นแม้จะสํารวมระวังแม้จะประพฤติดีเท่าใดก็ตามก็บริสุทธิ์ไม่ได้ต้องอยู่ถึงแปดสิบสี่กับแต่ว่าถ้าถึงกําหนดนั้นแล้วแม้จะได้ทําบาปไว้มากมายก็ไม่เกินกําหนดนั้นไปได้พอถึงแปดสิบสี่กับก็บริสุทธิ์เองตามการไม่เลยอ๋อ ตามการไม่เลยและไม่เลยเขียนท่านไปได้แน่นอนราวกับกระแสคลื่นย่อมซัดล่วงฟังฉะนั้นไอ้มันยังไงเข้ามาเนี่ยมันบอกว่าโลกหน้าไม่มีและดันมีแปดสิบสี่กับเอก็อแปลกจริงๆนะเป็นว่าพระเจ้าอังคดีราชได้ะสะดับัำนั้นจริงแต่ว่าท่านอาจารย์ ถ้าพเจ้าได้ประมาทมันนานทีเดียวนี่หลงเชื่อ ว, ว่าการทําดีแล้วจะไปสู่สุคติเอาอีกองอยู่แล้วไปเถอเอ้เอาเอาเอาสบายใจจถอะพวกคุณเอกราชเอาอคนแล้วอังคบีราชรอเขาอีกเพราะว่าหลงเชื่อว่าทําดีแล้วจะได้ไปสู่สุคติจึงงดเว้นเจตความเพื่อเพลินในกามาคุณข้นควายแต่ในทางธรรม เร่มสอนชี้แจงความดีความชั่วแก่ประชาชนบัดนี้เราได้ท่านอาจารย์ชี้แจงความจริงแล้วใต้จารย์ได้กล่าวว่าบุญไม่มีบาปไม่มีคนจะบริสุทธิ์ในเองมาถึงกำหนดเวลาแต่นี้ไปพวกกับไรเจ้าจะเพิดเพลินในตามาคุณแม้แต่การ ฟังทมคำสั่งสอนในสำนักของท่านก็เสียเวลาเปลา่าเอาเขาสิไม่เกิดผลนั่นใดนั้นขอท่านจึงอยู่สบายเถิดข้าว่าเจ้าจะลารีบไปทำความเพลิดเพลินในกามคุณละเออดีเหมือนกันลงท้ายบ่าฟังทมที่แกสอนก็มาเป็นเรื่องเมื่อไวเจ้าอังคดีราชเจ้าได้กลับถึงพระราชินีเวทแล้ว วันรุ่งขึ้นก็ทรงเรียกประชุมราวหมาทั้งหลายเมื่อราหมาทมาประชุมพร้อมกันแล้วจะได้มีพระราชดำรัสว่าพวกท่านจงบำเร็กรรมคุณกันเถิดน้ำแต่ดนี้ไปเราจะเสวยความสุขในการกคุณเท่านั้นอย่ารายงานกิจการอะไรให้เราทราบเลยน่ ยังวินิจฉัยกัะเบญตกันไปเองเถิดเอาสบายดีคดุิสบายมากเพื่อนานนั้นก็เกิดลือกันขึ้นว่าเกินทั่วเมืองบาพระราชาเป็นมิจฉาทิฐิเชื่อตามคำของคุณนาชิียกบรรดาพระพี่เลี้ยงพันนางนมทจ่าีทูลพันนางจารุษพันนางรู้จาราชกุ ม, มารีว่าข้าแต่พระแม่เจา้า ราชนกของพรง์ทรงเป็นมิจฉาทิฐิไปเส็จแล้วเพ่าว่าเชื่อถ้อยคำของคุณนาชีวกรับสั่งให้รื้อโรงทานที่ประตูเมืองทั้งสี่คมขืนหญิงและเด็กที่มีผู้ปกครองห่วงห้ามไม่ทรงวิจารณ์พิจารณาราชการไม่ทรงวิจารณ์พระราชกรณียกิจเลย มัวจะอยู่ในกามคุณเท่านั้นเอานางจาโรราชคุ ม, มารีได้สดับคำของพระพี่เลี้ย น, นนางลมเช่นนั้นก็คอยหาโอกาสเข้าเฝ้าพระราชบิดาเมื่อเพื่อกราบโนใน้ทรมเปลี่ยนพระไทยเมื่อได้โอกาสจึงเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาพร้อมไปด้วยบริวารแต่เทาว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่าน เมไม่ได้อ่านเรื่องแห่เรื่องท่านนารทสินานเพิ่งรู้ว่าท่านนะั้เรื่องราวคุณนาชีวกเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของใครเนอะท่านแปลอาจารย์ของท่านที่คิดว่าโลกหน้าไม่มีเทวดาไม่มีพรมไม่มีอะไรต่ออะไรไม่มีเนะี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ ข, ของคุณนาชีวกขี่เปลยนะ พี่หลังฟังท่านมาแล้วาฟังท่านบุนั้นพูดมาแล้วก็ญาติโยมไม่ต้องมาหาธรรมาไม่ตัง้งไม่ต้องมานั่งบนพระมลํำผันว่าทําไมเขายางกล่าวอย่างนั้นก็ในเมื่อบรรดาญาติโยมทุกท่านรู้ที่มาของศาสนาที่ท่านศึกษาแล้วก็อย่าไปตําหนิท่านเลยพระครูบาอาจารย์ของท่านเป็นอย่างนั้นเย่ท่านนิว่าทที่ปอยครุ ญ, ญานมีไม่จริง อภาญญามีไม่จริงการเห็นอย่างนั้นเป็นโอภายก็ชินเดียวกันแต่ว่าท่านผู้นั้นเป็นลูกศิษย์ทั้งคุณนาชีวกก็จะไปกลรธเครืองท่านเลยน ะ, ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ปุนผลนธ์จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี